มันเหมือนกับแบกภูเขาทั้งลูกไนะงขกงวนกันเลอมันไม่สนุกมันทำจริงๆทางเปลี่ยนเราังกลมทั้งวันมัไม่เดินได้ของมันฉุ น, นใจเ็าอะไรไม่ถึบทำงานนั่นอยู่ของหมูนติวต๋ว เวลาพอเวลาผ่านมามันก็อยากอยู่คนเดียวงั้นมันอยากยุ่งกับอะไรคนเดียวมันสบายมไม่หวังอาศัยอะไรจิตนี้ไม่ได้หวังพึ่งอะไรอาศัยอะไรอยู่ก็อยู่ไปงั้นนี่ต่ทาทัดขันนี่มันก็เหมือนกับสิ่งทั่วไปน่ะอยู่ด้วยกันงนี้น่ะต่าขันว่าแข่งว่าขาเนี่ย แข้งขาเขาไม่ได้ว่าใครมันก็เหมือนท่อนไม้ส่อนฟืนเป็นในความรู้มันแทรกไปตามนี่มันอาศัยเป็นเครื่องมือของความรู้นี่เท่านั้นเองดูดูอะไรไรเขาไม่รู้กับเราเลยเขาไม่รู้เรื่องเรามีแต่เราไปสําคัญเอาเองว่าอันนี้เป็นเรานั่นของเราเหมือนกับว่าอันนี้ก็รู้เรานั่นก็รู้เรามันไม่มี ความจริงมันไม่มีไม่มีอะไรรู้กับเรามันก็เหมือนเราจับอันนี้ขึ้นมานี่สมมติว่าจับไปฉายฉายนี่จับขึ้นมานี่ก็ไฟฉายก็เป็นไฟฉายผู้จับก็เป็นผู้จับอันนี้ร่างกายแต่ละส่ว น, วนมันก็เป็นหของมันเหมือนไฟฉายผู้รู้ก็เหมือนเป็นผู้จับไฟฉายดีโอ้ยคนั้นจังหวะจังหวังพึ่งกามันก็ไม่มีจังหว่างไงอาสัยกันอยู่นี่มันก็เหมือน นี่เราถืออะไรอยู่นี่แบกอะไรอยู่พาลาฮาเวถึงจะไม่แบกด้วยอุปทานก็แบกด้วยสัรชาสุ ญ, ญานความรับผิดชอบกันมันเป็นอย่างนั้นแต่ก่อนมันไม่เป็นเล่าสมดุดจังเ ล, เล่าทั้งนั้นเหรอแต่เล่าเราเล่าเลามดทั้งตัวนี่อันนั้นมันมันไม่มี ตัวรู้กันอะไรเสียงอะ่มุตินะมันจะความรู้มันสร้างอากไปเป็นจริงเป็นการอไปแล้วมันก็เข้ากันได้ครับที่เรา่าไอถ่ายท้องยี่ห้าหนอนอเจียมสองหนอนเวลามันจะไปจริงก็แสมความรู้นี่มันหดตัวเข้ามาเหมือนกำดึงจอมแหนพรวดเข้ามาเดียว ความรู้ที่ประซ่านไปกับสิ่งต่างๆหดตัวก็มางดร่างกายมันเหมือนตอน้นปืนนมีสัตว์ประหลาอยู่ภายในนะหูดับมดมันไม่ใช่หูหนวกมันหูดับไปเลยตาก็ไม่ใช่ตาบอดมันเลยบอดไปเลยมันเหมือนต้นไม้กูยังไงว่าเป็นต้นไม้ มันรู้หดก็มาอยู่จุดเดียวเท่านั้นแต่มันไม่เป็นจุดนะดินละว่าจุดเดียวละว่าเฉยมันสักแต่ว่ารู้นี่รู้มันก็ไม่รู้อยู่ตรงกลางนี่นะมันไม่ไปรู้อยู่บนสมองเพราะนั้นจึงถกเถียงกับหมอก็แหลกไปเลยนะเพราะอย่างยิ่งหมอเฉดฟัดกัรู้สมองสมอง ขั้นเป็นพวกสัญญาพวกโลกโรคยกให้ว่าเป็นกี่สมองเกี่ยวกับเรื่องความจําอะไปจําอยู่บนสมองความจำของทั่วๆไปนั้นมันมาทํางานอยู่บนเนสมองเช่นอย่างเราเรียนหนังสือเรียนน้องมากนี่จนสมองนี่หัวนี่มันทือหมดผมเป๊ะนบังคับอย่างมันจํบาบังคับมันจำจนความจํามันไม่เอาเรื่องเอาราวอะไรแล้วมันจะตายพูดง่ายๆเราก็บังคับมันมันจําเล๊ะมันมาจําอะไรไม่ได้ นอนพักทีหนึ่งมันตุ่ยจริงจรนะิงหมดสมองทื่อหมดหเวลามาภาวนามม่ไม่มไม่ขึ้นบนสมองนี่เป็จิตเริ่สมสงบมันก็รู้อยู่แล้วภายในนี่เนี่ยมันทำงานอย่างที่เสียมันไม่ไปขึ้นบนสมองพอเป็นฐานทางสมาธิแล้วรู้ก็เด่นอยู่นี่ในซองอกนี่วงกลางนี่เสีย มันรู้อยู่ตรงนี้นี่ขั้นสมาธิมันก็ยืนกันกันแล้วว่ามันไม่ขึ้นสมองมันรู้อยู่ตรงกลางเดี๋ยวจะเพราะแล้วคิดอะไรล้วคิดไปได้เวลาเราหยุดคิดแล้วเรย้อนเข้ามาดูความรู้อนี้มันก็เด่นัองมันเสียเอาไปยมันก็เด่นตรงกลางนี่เสียเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่สมองชาติจิตมันแยกออกมาแยกออกมาตรงนี้ตรงกลางนี่เสียเนี่ย มันไม่ได้ขึ้นอยู่บนสมองถ้าเป็นทัญญาลอมธรรมดาที่ตัวไปอย่าหัวเรื่องความจดคำจำํำมันก็ทํางาอยู่บนสมองบาสติปัญญาตรองนั้นจอง น, นี่มันเขาก็ไปจองอยู่บนนี่มันก็เป็นบนสมองแสดงว่าใครเึงว่าจิตยิตสมองข้านันจังนะผมก็หมอเช็คชัดกันเล เอาความจีิงมาพูดนี่ว่ารู้มันอยู่อย่างนี้จะว่าไงมันไม่ขึ้นมันไม่ได้ขึ้นบนสมองพอทางด้านภาวนาทางนั้นเริ่มมันลงมาพานี้ทานนี่แล้วมันไม่ขึ้น่ะอยนหนังสือมันขึ้นขึ้นบนสมองนะพอพนันอีกอย่างมันอยู่ตรงนี้ตั้งแต่ขั้นเริ่มแรกถึงความสงบมันรู้มันรู้ตรงนี้ลุกนี่เลื่อยเลื่อยเรื่อยไปจนกระทั่ง คือว่ามันเป็นความรู้ความป่องใสเป็นจุดเด่นของมันอยู่นั่นมันก็อยู่ตรงกลางอิสยอ้าวอันนั้นหมดไปมั น, มนก็อยู่ภ า, นานยังอิสยารู้อยู่ตรงกลางอิสยแต่มันไม่รู้เป็นจุดทนั้นเองรู้อยู่ตรงกลางนี้อีกแต่หกยึดไม่ได้นะว่าตรงกลางนี่คือที่ไหนคืออะไรมันเป็นจุดตรงไหนไ ม, ม่มันก็อยู่ตรงนี้อิอยา มันซ่านอยู่ในของมันมันไม่ได้ขึ้นมาข้างบนน้อขึ้นมานี่ก็ซ่าเาเป็นอาการมันออกมาใช่ไหมมันไม่รู้อย่างนั้นที่การปฏิบัติกล้าหาญที่จะพูดตามความจริงไม่มีสะทกสะทานก็ทอแล้วว่าจากความจริงที่เป็นอยู่รู้อยู่เห็นอยู่นี่ไปพูดมันจะผิดไปไหนในสะทกสะท้านอะไรขอให้มัรู้เถอะมันไม่สะทกสะท้าน แม้จะเทศนาว่าการก็เหมือนการเทศนาว่าการกับคนชั้นไหนชั้นไหนมันไม่ได้เห็นมีชั้นอะไรนี่ว่ากันไปอย่างนั้นความรู้ น, นะนั่นทั้นนี่ผู้รับฟังก็คือจิตรู้่ปไปสุกระท่านอยู่ไหนเช่นคนชั้นนั้นชั้นนี้พวกปัญญาชนพวกผู้มีความรู้สูงสูงเป็นปัญญาตรีปัญญาโทปัญญาเอกว่าก็ว่า้เฉย ความจริงนีมันเหนือสิ่งเหลนั้นมันจะไปเอาสิ่งเหลนั้นมาเป็นอุปสรรคมาทับมันอะไรหาอะไรอันนั้นมันดึงสมมติจะมาทับจิตอนี้ยังไงอย่างนี้เป็นจิตอันนี้เป็นความจริงเขโดยสมบูรณ์อยู่ในตัวนี้เ็าจ ะ, ะตกระทบกรทั่งอะไรมันเป็นอย่างนั้นความจริงทำไมจะพูดอะไรก็พูดได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนอกจากไม่พูด จะไปกลัวจะไปเกงใครก็กลัวจะเสียอกเสียใจยในเมื่อสิ่งที่พูดนั้นถูกเหมือนมันก็นไม่ประชิดไปตามเหตุตามผลไปตามบัรตามธรรมไม่ไปตามบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งมัไปหวั่นอะไรไปกลัวอะไร มันคอยเทศมันนั่งตัวสั่งแต่นั้ผมก็เคยเป็นแต่ก่อนก็เคยเป็นมันเป็นอยู่ภายในนะมันสั่งอยู่ภายในจิตเพรานั่น ม, มีความกิ่นในตัวมนอาศัยแตความจุดความจันว่าไอ้สความกลิ่ได้ปรากฏขึ้นมากน้อยมันก็พูดได้ตามขั้นอย่างปรากฏคือตามขั้นอย่งความปรากฏเช่นจิตเป็นสมาธิมัน โอ้มันก็โหหานเก่งเหมือนกันมันแง่นปึ ng อะแต่มันไม่สนใจจะพูดกับใครสอนใครเนอกจากมันพยายามแก้จาของมันประเยียดยิ่นั้นไปถึงขั้นปัญญาด้วยแล้วยิ่งใครมายุ่นยุ่งไม่ได้เดีย๋ยวทำงานมันต้องม ต, ตลอดเวลานั่นอยา่าเหมาะที่สุดใครมาคุยด้วยไม่ได้ ไม่พูดอันนี้ก็ยังคิดถึงอยู่ที่น้องผึ้งยินแสงบันดดก็ใครใครก็ผมเนาะคุณมาทำไมไล่แล้วงคนก็จะว่านวดเส้นไม่นวดไปเส้นเส้นแล้วมันก็เลยไม่ไม่มีอะไรเรื่องนวดนะคือมัน มันไม่ไม่อยากพลาจากงานบุญยังไงนะแล้วมันติดต่อกันอยนั่นพัวพันกันอยู่นั่น่ะมามัวนเส้นแก้เส้นหรืออะไรกันพันก็ตื่นขึ้นมาพันกันแล้วเป็นเองนี่มันก็ไม่เคยคิดว่าจากสอนไขนะนั่นยิงว่าดีอนหนึ่งยิ่ง แล้วได้ภาวนาเต็มเม็ดเต็มหน่วยตลอดไปเลยท่านจะเริ่มออกปฏิบัติไม่มีคำวมากการก่อการสร้างยุ่งเหยิงวุ่นวายกับอะไรไม่มีเลยตั้งแต่เริ่มปฏิบัติจนกระทั่งได้มาถูกเสร็จสรรตั้นยอว่าเป็นคูณบรรจารของหมู่ก็ได้ไม่ยุ่งเลยเป็น ง, งานภาวนาเดียวอาวนา ขั้นสมาธิมันโอโหาหารเก่งเหมือนกันแต่มันเก่งนะขั้นสมาธินั้นขั้นเป็นตามภูมิขั้นปัญญามันก็มีโาหารไปอีกแบบนึงมันตามที่มันพิจารณานั้นได้อุบายต่างต่างนันเป็นของมันเองที่จากนั่นไปแล้วก็เลยไม่เศร้ามันมีโาหารเนี่มีใครมากับเทเสียงฟังไปนั่นแหะเพเทศเทเจียงเน้าหายเงี่ยเหมือนไม่ได้เทนะจะเท่ซ้ําของเก่าสี่ข้างสี่ขนก็ไม่รู้ ไม่สนใจชีววิทย้เท็จแล้วนั่นยังไม่ได้เท็มันมีในปัจจุบันก็ว่ากันตามสหลับปัจจุบันพอจบไปแล้วก็แล้วถ้ามันจะซ้ำของเก่ามันก็ซ้ำในซ้ําในหลักปัจจุบันไม่ได้ซ้าในความค่าคิดมันเป็นขึ้นในวงปัจจุบันแต่เสียงเป็นสาคัญมันกระทบกระเนไม่ได้ขนาดีิเทศษแต่ว่ามีโมหันตรมีโมหันต์นก็พูดไม่ถูกอย่างทุกวัน ที่จากอันนั้นมาลด้มันก็มีโวหารไม่มีวหารมันก็ไม่ถูกไม่เป็นอารมณ์มีอะไรก็ว่าไปตามเรื่องที่ไหมปัจจุบันพราะเทศส่งเนื้อหาเนียบหายเงียบเหมือนไม่ได้เทจคนอื่นจําได้ที่เราเทศแต่เราผู้เทศเองจําไม่ได้เพราะไม่ได้เทศเพื่อจำเทศตามความจริงปวกที่มากับพวกว่าเปังใจก็ชอบใจมากเหมนกันนะม่านดูอาการ ทำท่าขู่บางอะไรบ้างชอบใจกันมาดูยิ้มแย้มแจ่มใสมากทีเดียวดูลักษณะและ้วตอนเย็นเมื่อวานในคำคั่มของบ่งนั่นเราปกที่ว่าผู้จัดการธนาคารทหารไทยมาให้ใครมาบอกว่าวันเช้าวันนี้เขาจะมาเข้ามาได้ตั้งแต่ตอนลานนี่แกเรดี้มันบอกมาใกล้ก็มาหาสิว่ามันถึงจองขัข่วไว้ต่อกันยุ่งบนคั่ม ตอนบ้านหน่อยกับพวกคณะวัดเบญจัดพวกพนั้นลงมากับวกนี้ก็ขึ้นเลต้นค่ำเราจะตายเขาไปแล้วอย่างออกที่พนาสงบถัดคันต้องมานอนนอนมันก็ไม่หลับเนี่ยหมามันร้องแก่แก่แขึ้นอยู่เ อ, อ้ลงมาดูหมาอยู่ ต่อไปก็ตั้งท่านอนอีกนันก็ไม่หลับอีกจนก็ตั้งห้าเกือบห้าทุ่มมาล้องเค้นอีกได้เด่นันยังไม่หลับนั่นไม่ทราบว่าอะไรนะมันหลับขลิกไปพลิกมาอย่างนั้นแหละไอเห็บตาเนี่มันจะมีส่วนให้ไม่ให้หลับหรือต่ควันกระชันดูเป็นประจาก็เห็นเป็นไรนั่งชันกระชันตามเวลาน่ะ พี่เลมันจะเป็ น, นมันหอยหูเพื่อนที่อยู่แล้วกันให้ดูกันนะอย่าให้เลยหนักอกหนักใจหูหนักหนักหูทําให้อยู่บนบ่าหมูอเพื่อนมีนะอย่าให้เลยพูดนะเดินหยาบหยาบเพราว่าระิบัตบที่เป็นเรื่องความสามวันทีที่จะต้องจัดต้องทําซึ่งเป็นความจําเป็นของแต่ละรายละลาย ที่เรียกว่า้อวัดประจำตัวนะอย่าให้ในปู่อย่าให้ไน้บอกนะของหนอนยำๆเป็งพ่อ้างก็เสียแล้วนี่นั่นจีพีนมก็ออกกันมาวันนี้แลคนคงแน่นวัดแหะก็เป็นโรคอะไรทั้งมะเร็ง ใน ล, ลำไส่อยู่ไงแล้วก็ทั้งหลกตับ ส, สวยแต่ต่อกแสมานา น, นั่นแหละท่านก็มีชื่อเสียงโด่งดังเหมือนกันนะแต่ไม่เคยได้คุยกันมา ก, กันหลวงังอะไรอําเภอบันจาทีรีจังหวัดคนแก่นก็มีชื่อเสียง